อหังบันเตปปปัจจังยาจามิอิมานิกาสายานิวัานิกาเหตตวาปปัจเจธามังบันเตอนุกัมปังอุปัฏายะดุติยมปิอหังบันเตปปปัจจัญญาจามิ อิมานิกาสัยนิวัฒนิกหิตตวะปป a เจธ a mang bhante anu kampan upadaya tak tiyam pi ahang bhante p a p a าจ a n g ya a m i อิมานิกาสัยนิวัานิกหิตตวะ ปปปาเจตังบันเตอนุกัมปังอุปาดายะเกส a โลมานาคาดันตาตะโจตะโจดันตานาคาโลมาเกส a